ไม่ต้องเปิดก็ได้เพื่อนใครเดี๋ยวมันจะหลับกันหมดหายไปสามเดือนเจ้าพรารษาพรรษานี่ยไม่ได้ลงเหมือนพุระเจ้าขึ้นเดาดึงลงมาออกพรรษา ลหลบภัยค่เจ็บนิดเดียนตอนนี้ก็ดีขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์ซ็นต์ม่ร้อยเปอร์เซ็ตกระตินไม่วากก็ไม่ได้ขึ้นบินโชคดีที่ไม่ขึ้นถ้าเกินงโอ้โหไทยอ่ะอืยังไม่มีอะไรเลยประตูหน้าต่างพื้น เข้ามาก็เต็มๆเลยดีนม่ได้พบบรรยากาศที่แปลกๆเนอะนอกถึงบอกว่าเมื่อสามสิบหกสามเจ็ปีที่แล้วเนี่ยโอ้มันอย่างนี้เลยลมแรงมากบอกลงจัดผ่านไม่เคยแห่งขนาดนี้บรรยากาศยังใกล้เคียง หามาถึงเปลืองล้อมังละยังมีงานสองงานเพุ่งนี้ก็ถิ่นแล้ก็ประชาชนในพคราชก็ชวนวันที่สองธันวาพลังขยเกิด <ừ> นี <ừ> ่มันขวาจารมาเยอะอยู่จริงอาจารพุทธฒน์บอกทางทธบุญใหญ่ขวายการต่างจังหวัดก็เยอะถ้าเราโชคดีอาจจะได้ฟังทรรม ครับครูบาอาจารย์ต่างแขวงวัดบ้างก็ั้งแขวหวัดครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นอนวัดแล้วนอนโรงพยาบาลหมนแล้วที่บอกว่าจำวัดไม่ใชได้จำโรงพยาบาลตามอายุขัยเราก็อย่างดียั ง, ยงจําวัดช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ ถึงไม่ได้ขึ้นก็ดูที่ตามพวกเราอยู่ในสมณะรางแดงญาติโยมก็าพาการันตีวัดคอวัดโดยพวกนิสิชิรังค่ะปีนี้ไม่ได้สู้ยาติโยมไม่ได้ยาตโยมที่ีที่ห้าหลวงพ่ออุบาสิกาอุบาสิกาเยอะกว่าขอที่ 5, ีที่ห้าที่เจีดที่ห้า ตีชี้กลางค่าที่ว่าสร้างมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตื่นตื่นจริงตื่นรู้ความหมายชาคาโรชาคระไม่ว่าตื่นชาคระธโมลพวมนี้ทามันมตื่นตื่นก็ไม่หลับนะทุกวันวนี้ยก็กลังตื่นที่มาแรงตอนนี้นก็คือตื่นทํา ทำไมต้องตื่นทำไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตื่นทำตื่นทำเนี่ยพวกเราเาารข้าใจวไปยังไงก็ยังเถียงไม่เสร็จพอตื่นทำเสร็จก็ยังเสร็จสีคนทําทเสร็จสีคนนี้ยอยู่ตื่นเพื่ออะไรโดยเฉพาะคือวาจา ภูริจา่าธมวัอรูปวาโดอรุปคาโตในการเผยแส่มันต้องไม่ข้ะทก่งวาจาก็ต้องไม่เฉียดสีลักษณะ ข, ของสาววงที่ดีต้องไม่เพ้อเสวาไม่ใช่คำหยับคายและกูมึงหาเฮียไม่มีถ้าคนตื่นจริงจะไม่มีพราคนตื่น น, นี่เองก็มีสติ เระนั้นความหมายค่ะว่าทำอยากให้พวกเราเข้าใจโดยความหมายที่แท้จริงว่าทำคืออะไรองั้นไปคนละทิศคนละทางคนละโลกทำมีความหมายสามระยะหนึ่ ง, งก็คือกุศลธรรมสองอักุศลธรรมสามอัพยาคารธรรมนี่ยคือธรรมจริงถ้าใครยังไม่เข้าใจสามคำสามสามเรื่องนี้ ก็จะเรียกเอาเป็นกุศลไม่ได้เพราะนั้นกุศลธรรมนั่นคือธรรมที่เป็นกุศลก็คือจิตนั่นแหละจิตมันเป็นกุศลเมื่อจิตมันเป็นกุศลแล้วเราคิดก็ดีอพูดก็ดีการกระทําก็ดีมันก็เป็นกุศลผลของการกุศลก็คือเป็นคนดีตรงกลางข้ามค่ะอาภุศุลคือใจเป็นอาภุศุลจะคิดมันก็เป็นอาภุสุลจะพูดออกมาเป็นอกุสุล การกระทําหรือแสดงออกมาก็เป็นอากัลุนอันในกระทำที่สองที่สามคืออภัยกัตตาคือใจต้องเป็นกลางเมือ่อนเอียงอคติหรือยกตนของท่านตัวเองดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคุณโน้นโดยพวกเขาจะเอาผู้ชามาอ่างผู้ชาท่านดีอยูะไรไม่ต้องมาอ้างไม่ต้องท่านดึงออกมา พี่เจ้าเป็นประเสริฐอแล้วคําของผู้เจ้าคําของสาวกคําของครูบาอาจารย์ตามลําดับทีนี้คาว่าเป็นธรรมใจเข้าถึงธรรมผู้นี้หรือยังใจเข้าถึงผู้นี้ยังเอาไปว่าใจมันเกิดปัญญาหรือยังมันคิดได้ไ้มว่าคิดอย่างนี้เป็นกุศลมันเป็นยังไงพูดอย่างนี้มันอกุศลแสดงออกแล้วผลเป็นยังไง การกระทาลงไปอย่างนี้ยมันเป็นผลยังไงมันก็คือกายกรรมวิธีกรรมพนกรรมนี่เองการทางแสดงออกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมาเข้าใจทางคนนี้มันก็มารู้ว่าทําคืออะไรตื่นทํำคือตื่นอะไรอะคําว่าตื่นตื่นอะไรเมื่อก่อนมันหลับเรื่อยังนี่เขาว่าว่าตื่นจริงๆแล้วของคนนี้มันไม่ใช่ของใหม่มันคือของเก่า พูดยาวว่าคำกันมันก็คือของเก่านะ่ะแต่เรามาฟังใหม่วันนี้เหมือนกันที่พูดมันก็เป็นเรื่องใหม่มพูดมาเป็นกว่พันปีแล้วอา่จะเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเราถ้าธรรมะสมัยหนึ่งอาหารมันไมมีอาหารที่เราไม่อะไรที่ไม่รู้จักที่ไม่เคยกินมันก็คือของเก่านั่นแหละแต่เรากินเข้าไปบริโภคเข้าไปเมไหร่มันก็ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อ น, นั้นเนี่ยอันนี้คือธรรมะก็เช่นเดียวกันทีนี้ธรรมะในมันธรรมดามันก็ทำไมชาติของเขาก็การเกิดดับเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับจิตมันรู้ไหมปัญญามันเกิดไหมวะตอนนี้อะไรจะมันเกิดหมายคถึงว่าสมุทรธำรมเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมเกิดหรือเปล่าอกุศลธรรมเกิดหรือเปล่าอันนี้ตัางหาเรียกว่าสติ เพราะมันมีสติเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกทุกวันนะบื้องต้นอย่าก็ต้องการที่เองมีสติที่สำการคือสติต้องอยู่กับตัวเองไม่ใช่เอาสติไปอยู่กับคนอื่นหรือไปคิดเรื่องคิดปรุงแต่งเรื่องคนอื่นเขาทั้งโลกนั่นก็ไม่จะทำละแต่เป็นผู้เวน่นั่านก็บอกว่าทำเมาไม่จะทำงงเพราะเป็นเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเลย เขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะรวยเขาจะจนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็ชอบไปยุ่งเอามาคิดออามาพูดจะได้ออกด้วยกันกระทำยึดยามย่ำยีด้วยการอะรกันนะคนมาปฏิปทาทำมันจะไปออกมาลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะปัญญานี่นเกิดเพราถ้าปัญญามันเกิดแล้วจะเข้าใจเข้า ใ, ใจว่าโอ้ถ้ามันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเรื่องต่งให้มันดับนะนี่นเลยบอกเกิดแล้วก็ดับ Fore, becca, well> si Ces เหม uh ือนคนเนี่ยเกิดแล้ว ouais ก็ตายแต่ถ้าเกิดแล้วไม่ตายยุ่งเหมือนคนเกิดมาแล้วไม่ตายเป็นเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงมีใครตายเลยเกิดอะไรขึ้นนี่เขาเรียกเกิดแล้วไม่ดับเหมือนกันความคิดคํำพูดการกระทําของผู้เราเนี่ยเหมือนกันถ้ามาเกิดไปแล้วแต่ว่าเราไปพูดจาว่ากล่าวเสียดสีเยอะๆถาดทางดินทาว่าอะไรคนอื่น่ะเมื่อเกิดแล้มันไม่ดับกนไม่หยุดอ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ร้อนใข่ร้อนตัวเองร้อนขึ้นกับร้อนคือทั้งเดือดร้อนเหมือนกับน้ําเหมือนกับไฟคปอเตี้ยเที้ยแต่เราเสมอว่าจริงๆน้ําจริงๆมันไม่มีเน้ํามันร้อนเนาะที่มันร้อนก็เพราะเราทำให้มันร้อนเราคือมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆเอาไฟไปผสมมันอยู่ดีๆไปเสียบปลั๊กเห็นไหมน้ําเย็นๆอยู่ดีมันก็เกิดร้อนขึ้นมาถ้าเราไม่เสียบ ถาเราไปถอดออกปั๊กออ น, อน้ําก็จะร้อนใจเรานั้นก็เหมือนกันอยู่ดีๆเอาแล้วมาเผามันให้มันร้อนใจมันก็ร้อนมันก็ไม่เย็นมันก็ไม่ดับความมันร้อในจใะเดือดร้อนก็เราแต่ไม่มีสติถอนนั้นมีสติเห็นบางคนมองโหดไหมโกรธจินตุสันนั่นนหะคือเดือดร้อนต้งเดือดต้องร้อนเหมือนเอาน้ําสะอาดใช้กัน นั้นกาปฏิบัติธรรมกัรปฏิบัติรมของเราต้องการให้เข้าใจะสภาวะอย่างนี้ต้องการให้จิตของเรารู้จักการเกิดการดับเพราะฉนั้นถ้าใครเห็นการเกิดการดับอย่างนี้ผู้นั้นก็จะบบตัดพบตัชฌาดได้เป้าหมายเพราะอะไรพบที่เราเข้าใจว่าเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้จริงๆถ้าเราคิดดีๆพบคืออะไรพบหรือภาวะหรือภาพ คือสิ่งที่เราคิดก็คือมโนภาพเี่เราคิดนั่นมันเกิดพอเราคิดเพราะนั้นคําว่าพบหรือว่าวัหรือว่าวลนคำว่าตะนั่นคือวลมันคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกวลยันเรียกวัฏาะมันไม่เกี่ยวกับพบหน้าพบนี้พบพบนี้แหละเดี๋ยวนี้ชาตินี้เวลานี้ คิดไม่ดีมันจะคิดเหมือนเดิมอยู่พูดไม่ดีพูดเหมือนเดิมอยู่ทําไม่ดีก็ทําเหมือนเดิมอันนี้คือวัตตะคือวนเราตัดตัวนี้ไม่ได้มันดับไม่ได้อันนี้คือวัตตะที่แท้จริงนี่นคือการคำว่าวนจิตเราเป็นอย่างนี้มันก็เลยวนไปวนมาอย่างนี้เป็นเสื้อติดจันวนไปวนมากับความคิดของเรานะ่ันนี้คือวัตตะอุนทารดไม่เข้าใจอย่างเนี้ เ ม, มื่อมาคิดอย่างนี้สมมติว่าคิดอย่างนี้แล้วมันไม่สบายใจอ่ะคิดอย่างนี้มันทุกข์ก็ยังคิดอยู่วางไม่ได้ไม่มีสติไม่รู้ตัวพูดอย่างนี้พูดออกมาแล้วมันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนก็ยังพูดอยู่คำริ้วกันนี่แนะหละการกระทํำวนกันทําลงไปแล้วมันเดือดร้อนก็รู้อยู่หนือ ด, ดร้อนก็ยังทําอยู่นี่คือนวนนี่คือวัตฏะแท้จริงเพราะนั้น เหตุองการว่นเขาอกวนะ่กิเลสกรรมวิบากอันนี้ต่างปริยัติเขาวา่างนั้นกิเลสคือถ่าอะไรได้วมันเศร้หมองทําให้เราคิดพูดทําได้มันไม่ดีอันนก็เรียกว่ากิเลสเมื่อคิดพูดทําลงไปแล้วมันต้องมีผลของกัรกระทำของมันก็เรียกวิบากวิปากะคือวิบากมันมีผลแน่นอนอยู่ที่ว่าเหตุคืออะไรเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีแต่ที่แคือกรรม กิเลสกรรมวิบากเกิดการกระทำร่วมกับวิบากหรือผลของมันมันเป็นอย่างงี้แหละนี่คือวัฏฏะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวัฏฏะที่แท้จริงมันเกิดทุกวันไม่ได้ไปรอชาตินาช า, นชาตินิชาติเราเข้าใจเพียงอย่างนี้มานานแล้ววัฏฏะในใจเราเนี่ยแหละจิตเรานั่นแหล ะ, หละคิดก็คิดเราคิดไม่ฉลาดอะ่ะคิดไม่ฉลาดก็คืออกุศลเห็นไหเนี่เขาเรียกว่าอกุศลธรรมไม่ฉลาด แล้วก็เปลี่ยนอกุศลตอนน้เป็นกุศลธรรมานเป็นเป็นกุศลเนี่ยให้มันฉลาดเอาคนฉลาดเข้าไปทําอะไรที่มันงงๆแต่ว่าจะคิดคดีพวกดีทํางวิธีไม่ทําดี๋ยวคนฉลาดและที่กันก็ต้องวางคืออภิญอาอภิญญาคาตาต้องต้องเป็นกลางต้องมีคนเป็นกลางเหมือนเรามีคดีความเนี่ยมันต้องมีคนเป็นกลางคือศาลผู้ตัดสินไม่ใช่คู่กรณีพู้ตัดสิน มีสองคนที่คู่กรนีกันทั้งโจทก์และจำเลยคือคนตัดสินคนตัดสินต้องเป็นกลางคนที่เป็นกลางต้องเป็นธรรมแก่ถ้ามีธรรมต้องมีธรรมะวันนั้นผู้สารก็ศึกษาธรรมะเขาศึกษาธรรมะมันต้องเป็นกลางคือไม่เข้าข้างชืดต่างกับใจกับพวกเราตัว น, นี้ยเราอยา่างเขาข้างสุขก็ข้างทุกข์ามันจะเป็นธรรมตรงไหนพอสุขเข้ามาก็ยินดีพอใจชอบ เพลินพอทุกข์เข้ามาก็เศร้าอยากให้มันเกิด่เห็นไหมเพอเราเราตัดสุขตัดทุกขอ์ออกไม่ไไม่เข้าใจคือไม่อุเปกขาคือวางสุขวางทุกข์ได้อารมณ์อย่างไี้มันไม่มีอารมณ์อย่าง น, นี้มไม่มีเพราะสมาธิของเรามันอ่อนสมาธิของเราัไม่เกิดคือพลังหรือกําลังของสมาธิมันยังไม่พอคือไม่เข้าใจสิเหล่า น, น, นี้เราก็จยุดเข้าข้าง ก็คือถ้าไม่อยู่ก็สุขก็อยู่ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้นตลอดเวลามันจิตมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เป็นกลางสภาวะของพวกเราเ ก, ก็เป็น น, นี่คือสภาวะธรรมที่เป็นจริงจริงแต่ถ้าคนตื่นต้องตื่นอย่างนี้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ใส่ใครก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ตื่นอันนั้มนมาตื่นนอนเฉยๆเมื้อตื่นขึ้นมาเพื่อจันลมลกลกนะันโมเถอาทั้งฝ่ า, าย ธรรมณะพระเนรในกาลวัฏยาโจรสากันเป็นรายวันพระพุทธเจ้าถามพระถามมาซึ่งหน่อยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรทัตนัถตีพระพุทธเจ้าอย่กลับไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรถ้า แ, แต่วันมาคะแล้วท่านประกาศศาสนาประกาศอุดมการณ์ประกาศหลักการประกาศวิธีการว่าจะเผยแพ่จะไปพูดกับผู้คนทั่วไปอย่างไร นี่คือเปลี่ยนดูอย่างผู้ยิ่งเจ้าวเวลาไปเผยแพร่เรื่อกับใครก็ตามศาสนาต่างศาสนาหรืออื่นก็ตามพระองค์จะไม่โจมตีที่ไม่ใช่วิธีโจมตีอย่างเที่เขาบอเขอเรื่องก็ดีแล้วแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือต้องทําอย่าง น, นี้คือมีทางออกให้เขาทุกคนนี้เราไม่ชี้ทางออกบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรที่อยู่ตรงกลางๆคืออะไรเราไม่บอก เราไม่ชี้ทางให้เขาเราก็เอาท่าดีก็ไม่ดีก็กลายเป็นถ้าดีก็คือสรรเสริญกันถ้าไม่ดีกับนินทากันก็ออย้อนแยงกันเนี่ยแล้วทางออกคืออะไรเราเคยหาทางออกให้เขาเพราะอาปิจากตา ร, รร ม, มันไม่เกิดออืนี่เห็นแล้วว่าคนตึนจริงๆเพราะฉะนั้นสภาวะติดอย่างนี้ต้องเกิดจะกัดฝึกโดยเฉพาะยิง่งคือสมาธิ ใครบอกสมาธิไม่สำคัญใครบอกกูจะไม่สอนธรรมสาสอนสมาธิก็ไม่รู้เอาจากไหนมาพูดที่นี้ก็เป็นกับพูดที่เป็นทั่วไปหรือสอนให้เกิดปัญญาเลยท่านอย่างนั้นเรามาดูต้นไม้ไหมต้นไม้อยู่ๆเนี่ถ้าเราหมายความว่าไม่ให้สอนเรื่องสมาธิไม่สอนเรื่องศีลเอาปัญญาอย่างเดียวเหมือนต้นไม้ ต้นไม้มาเริ่มต้นอย่างไงมันจะไม่มีอะไรเลยเริมต้นจากดีเปน็นกล้าเลยรกิ่งก้านสาขาเ ร, เราต้องรดน้ําพุน ด, ดินบํารุงนี่คือคําว่าศินเราต้องบํารุงศินใจเราเนี่ยต้องเป็นคนมีศินรดน้ําพุ ด, ดินเอาสินนี่แหละลดใจของเราทุกวันเดี๋ยวมันจะเปับตัวเองมันเกิดเป็นลําต้นเริ่มมาแล้วลาต้นกิ่งก้าน นั่นคือสมาธิแข็งแรงแข็งแกรง่งแล้วมันก็จะแทงยอดไปเลยยอดก็คือปัญญาเห็นไหมมันเป็นองค์ประกอบขาดไม่ได้สิ่สมาธิปัญญาขาดไม่ได้จะไปแยกมันไม่ได้แต่ถ้าเราทำปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เรื่องแยกไม่ใช่เรื่องแยกมันเป็นเรื่องเดียวกันแคก่กาหนดจิตก็จิตมับรกอบแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้เป็นรากอันนี้เป็นลำต้นอันนี้เป็นยอด ก็เหมือนกับเหลือแต่มเมล็ดนั่นแหละที่มันจะไปเกิดที่เจ็บตกลงมาแล้วมันจะต้องไปเกิดข้างหน้านเราดูออกไหมในมเมล็ดอะไรก็คือรากลําลต้นยอดไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ทุกอย่างที่เราทำนที่มันจะเกี่ยวกัที่เมล็ดเพาหนึ่งต้นไม้ตัวนี้มันต้องไปละมันอยู่ไม่ได้มันก็เหลือแต่มเมล็ดตเดตรียมหลดออกมาก็ต้องไปเกิดใหม่ถ้ามันยังมีเชื่ออยู่มีเมล็ดอยู่นนี่ลักษณะของศีลสวรรค์ที่ปัญญา ก็จะออกแต่ยอดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเรพิจารณาอย่างนี้ก็บนกดาพวกเราพวกเราชีวิตของเราถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงทมัยนี่เราได้ถึงคนบ้นงถึงตัวเราถึงมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็มีส่วนต่ําส่วนกลางส่วนสูงเบื้องสูงส่วนต่ำก็คือเท้าแก้งขาเนี่ยอันนี้ล้อต่ําเพราะะฉนั้ทาราดันบนชีวิตโดยปราศจากศิ่การดันบนชีวิตโดยปราศจากสิ่ง มันก็จะเดินผิดทางชีวิตเราก็จะผิดทางออกนอกโลนอกทางเพราะว่าแข็งขาเราไม่ไปทางอยู่ในธรรมนองกองทราอันนี้นเบื้องต้ น, นสองคือสมาธิปีใจใัยเราหลับตัวอย่าไม่เข้มแข็งยไม่แข็งแกร่งอ่อนแอใจเราวม่ดีหลักต้นมมนดีเกี่ยัาส่วนหัวสุดนั่นคือยอดละ ถ้าส่วนหัวเนี่ยเสียไปหมดเลยตาเสียหูเสียจมูกเสียปากเสียเนี่ยไปหมดเลยก็แปลว่ายอดอ่ะมันก็ไม่กดผลอะไรเลยเพาเป็นต้นไม้คนเราก็เหมือนกันถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มันต้องพร้อมกันซึ่งเราพีอยู่แล้วส่รายเท่านั้นเนื้อชีวิตอาชีพประจำวันนะถ้าวัดสินทุกวันเอาแค่สินห้าเราโอกระนั้นก็น้องก็มาเนี่ยครบไหม ถ้าจะอแสดงว่าเราอย่างยังไม่พร้อมคือความหมายะฉะนั้นจะตบอทวนว่าสิ้นห้าแค่สินห้านี่มันจะพาแค่งขาเราขาดโดยชีวิตในชีวิตปัจจาบันนะเป็นไปในทางที่ไี่ดีจิตใจเราเราะเราเาตัวเราเองเมันจะเจริญเิบโตได้กับวัตใจสุดท้ายก็คือปัญญาอยู่ส่วนบนสน่วนคนที่ไี่ปัญญาคือคนที่ขอขาด ส่วนบนแล้วกันนี่สุดนพระนพุทธเจ้าสอนลงมาเนี่ยสอนตั้งแต่ต้นลงมาเลยเบื้อ devant, <Okay. S 1> งต้นท่านบอกว่าระวังระวังศีสันภาษาโบราณภาษาครูอาจารย์ท่านบอกว่าระวังหัวโบราณครูอาจารย์สมัยโบราณท่านบอกว่าสีห์ห้ากราษชี้สะแทียสองขาสองท่านพูดเป็นสัาอย่างนี้สีห้าพราท่านสอนสอนอย่างนี้อันนี้ถ้าใครรักษาอันนี้ได้ก็คือสีห์ห้าแล้ว อันนี้เรื่อข้อหมห า, ายครูอาจารย์โบราณนักสอนอย่างนี้ตัวข้อหมายเดียวกันด้วยนะผู้เชี่ยวสอนเราตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่หัวลงมาถ้าใครรักษาหัวที่เองไม่ได้ก็ห <c oughs> ยุดอยู่ลําบากและวเรื่งหัวรักษาปากที่ฉั้นขั้นสากลดิสิต ร, รักษาใจเพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นที่รักษาใจเองได้ น, นอื่นๆไม่มีอะไรที่ไปรักษาได้ไม่มีนอกจากใจ ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งแต่เราไม่สมบูรณ์บริบูรณพอนะใจไม่หนักแน่นพอใจไม่เข้าถึงสภาวะที่เป็นธรรมจริงๆมันจะกลายอย่างเนี้ยก็คือตื่นธรรมนี่แหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตื่นตื่นมาเพื่ออะไรตื่นเพื่อ ด, ด่าชาบ้านเนี่ยเปืนอินท่าชาบ้านปืนเสียชีวินอื่นๆชีวิตเราตื่นมาทําไมแต่คนตื่นธรรมต้องตันรรตวนอย่างนี้ก็คือเราตื่นว่าอันนี้มันคือกุศลธรรมนะอันนี้อกุศลธรรมนะ อภิยาการตาแต่ปัญญาเขาก็จะแยกออกว่าถ้ากุศลเกิดมันจะเป็นอย่างนี้อกุศลมันจะเป็นอย่างนี้อภิยาการตามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือสภาวะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหนี้ได้แล้วเราเคาอยู่แบบชีวิตเรามีคุณค่าเราเข้าใจถูกเอกประเด็นของสตรท้าปะเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรใช้วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำ อย่างใดถึงจะไม่เรียกว่าวัตตะคือวนเหมืนนั้นก็จะวนอย่างนี้แหละวนเต็มลายขบายคาวนที่เราฟังมาทั้งหมดคือวนคือการเกิดแก่เจ็บตายคือมันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเกิดเราต้องเกิดเราจะต้องตายอยู่แล้วไม่เป็นวัตตะมันก็เป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่วัตตะที่แท้จริงอยู่คือเจอแตนี้แหละเราไม่สามารถอิจฉาความคิดตัวเองได้ขับพูดตัวเองได้ การกระทำออกได้นี่คือวัตถะที่แท้จริงในชีวิตประจําวันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะแก้ค่วัตถะในทางปฏิบัติเพราะดันั้นสิ่งเรานี้มันไม่ยากไม่ยากเลยในชีวิตประจำวันก็ฝากพวกเราเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำนน ว, ว, ว, วัำนสำหรับงานกระตินของผู้เราเนวันนี้คือคิดว่าจัานขึ้ไปเราคงตื่นละตื่นจริงๆ ตื่นมาเพื่อรับรู้เรื่องธรรมอาจจะเป็นคนตื่นอย่าเป็นคนนอนหลับอืันนี้คือสารธรรมสําหรับฝั่งผู้เราขํามคืนวันนี้พเพื่อเป็นขวัญกําลังใจอน้อยเกินเป็นอย่างนึกแนวคิดแนวปฏิบัติคือเอาไปใช้ได้จริงๆคําพูดวลีประโยคตัวไหนเอาไปใช้ได้จริงๆแต่ถ้าฝั่งแล้วเหมืนอนอาหารอ น, นี้บอกสูตรแล้วนะก๋เดี๋ยวจะอร่อยต้อง อันนี้หนึ่ ง, งสถึรู้แล้วสูตรเป็นไร แ, แต่ไม่ลงมืปรุงไม่ลงมือทําคือไม่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วคือปรุงแล้วไม่ชิมคือไม่กินแล้วเป็นใจรรอะไรก็กออาหารไหมไม่ได้มันต้องครบคือประยัดปฏิบัติปฏิเสธอะไต้องครบอาหารก็เหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังแล้วคือไปสูตรเอาไปปรุง คือปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ต้องใครๆบอกว่ า, ม, ววามันเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ต้องไปถามใครเราจะรู้เองด้วยตนเองเรื่ อ, ง, อ ง, งปฏิบัติตา่างในพะธรรมตอนนี้ก็ขออธิฐานาความดีกับเราทุกคนในวันนี้ถือว่าสามเดือนก็ถือว่าได้ฟังมาแล้วก็ขออธิฐานาความดีของเราทุกคนขอความดีเพื่อเราทําในวันนี้ จังถือแก่บรรพบุรุษของผู้เราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ผิีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญของพวกเราทั้งหลายที่ได้กระทำมาเป็นในวันนี้ขอะขาเสุขความเจริญจงมีแก่พวกเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านเถอ